พึงสมมติวิหารชื่อนี้ให้เป็นกับปิยภูมินี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติวิหารชื่อนี้ให้เป็นกปิยภูมิท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมุติวิหารชื่อนี้ให้เป็นกับปิยภูมิท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงวิหารชื่อนี้สงสมมุติให้เป็นกปัปยภูมิแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นสมมุติอย่างนี้สมัยนั้นชาวบ้านต้มข้าวต้มหุงข้าวสวย ต้มแกงสับเนื้อพาฟืนส่งเสียงเสียงแส่อยู่ในกับปียภูมิที่สงสมมุติแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทมในเวลาเช้ามืดได้ทรงสะดับเสียงเสียงแส่และเสียงการร้องจึงปรัสถามท่านพระอนนต์ว่าอนนต์เสียงเสียงแส่อะไร ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ